กำหนดในขณะเดินยืนและนั่งเหมือนกับหมวดอิรยาบทที่กล่าวมาแล้วในขณะง่วงนอนพึงกําหนดว่าง่วงหนองีบหนอะสะปงกหนอหนักหนอเป็นต้นเมื่อง่วงนอนมากจึงเหยียดกายนอนแล้วกําหนดว่านอนหนานอนหนอเป็นต้น โดยรับรู้รูปนามที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะในขณะเริ่มตื่นพึงกำหนดจิตตื่นนั้นว่าตื่นหนอจิตดังกล่าวไม่ปรากฏชัดในเวลาเริ่มปฏิบัติภายหลังเมื่อสมาธิมีกําลังแล้วนักปฏิบัติจึงสามารถกำหนดได้อย่างไรก็ตามเมื่อตื่นขึ้นรู้สึกตัวก็ควรกำหนดว่า ตื่นนอนักปฏิบัติย่อมเกิดปัญญาอย่างเห็นว่ารูปนามที่เกิดขึ้นก่อนจะหลับได้ดับไปก่อนไม่ต่อเนื่องถึงขณะหลับการหลับคือการเกิดขึ้นของจิตที่ไม่สามารถทําการคิดกําหนดเห็นได้ยินหรือสัมผัสเป็นต้นรูปนามในขณะหลับก็ดับไปก่อนที่จะถึงขณะตื่น การตื่นคือการตื่นขึ้นของจิตที่ทำการคิดเป็นต้นได้ไม่มีตัวตนผู้นอนหรือผู้ตื่นอย่างแท้จริงและไม่มีสภาวะที่เที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้การอย่างเห็นอย่างนี้ชื่อว่าอาสัมโมหาสัมปัญญาในขณะพูดพึงกำหนดว่าอยากพูดหนอพูดหนอ การพูดทําให้ขาดสติและส่งผลให้คิดฟุ้งซ่านเรื่องราวที่พูดภายหลังนักปฏิบัติจึงไม่ควรพูดกันในระหว่างปฏิบัติธรรมยกเว้นมีเหตุสําคัญจริงๆเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วย่อมรับรู้จิตที่อยากจะพูดและรูปที่เคลื่อนไหวกระทบกันเมื่อพูดแล้วหยุดพูด ก็พึงกำหนดรูน้มที่ประจักษ์ในขณะนั้นว่าอยากหยุดหนอหยุดหนอนิ่งหนอเมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังมากขึ้นจะรู้ชัดว่ารูปนามที่เกิดขึ้นในขณะพูดได้ดับไปก่อนไม่ต่อเนื่องถึงขณะนิ่งแม้จิตที่ต้องการจะนิ่งและรูปนิ่งก็เกิดขึ้นแล้วดับไป ทันทีในขณะนั้นการยังเห็นอย่างนี้จัดเป็นอสัมโมหะสัมปชัญญะเมื่อนักปฏิบัติตามรู้กองรูปในร่างกายที่ยาววานาคืบกว้างศอกอย่างนี้แล้วเกิดปัญญาอย่างเห็นพระไตรลักษณ์ว่ารูปนามที่ตามรู้ในปัจจุบันขณะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็จัดว่า ได้อนุมาณรู้กองรูปภายนอกร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในบางขณะเมื่อตามรู้กองรูปภายในว่าอยากเดินหนอเดินหนออาจเกิดความเข้าใจแม้สภาวะเดินของคนอื่นก็เหมือนกับสภาวะเดินของตนในขณะนั้นจัดว่าได้ตามรู้ทั้งกองรูปภายในและกองรูปภายนอก สลับกันไปดังสาทกในหมวดสัมปัญญะนี้ว่าดังพันนามาชะนี้ภิกษุย่อมตามรู้ในกองรูปภายในว่าเป็นกองรูปบ้างตามรู้ในกองรูปภายนอกว่าเป็นกองรูปบ้างตามรู้ในกองรูปทั้งภายในทั้งภายนอกว่าเป็นกองรูปบ้างต่อจากนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เธอตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นในกองรูปอยู่บา้างตามรู้สภาวะคือความดับในกองรูปอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในกองรูปอยู่บ้างคาว่าสภาวะคือความเกิดขึ้นหมายถึงความเกิดขึ้นของจิตที่ต้องการจะเดินและรูปที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นต้น คำว่าสภาวะคือความดับหมายถึงความดับของจิตและกองรูปเหล่านั้นนักปฏิบัติที่รับรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นและความดับนั้นอาจเข้าใจเหตุที่ทำให้กองรูปเกิดขึ้นและดับไปอีกด้วยกล่าวคือกองรูปเกิดจากเหตุคือจิตที่ต้องการจะทำอากับกิริยาต่างๆถ้าไม่มีจิตดังกล่าวรูปก็เกิดขึ้นไม่ได้ นอกจากนี้รูปยังเกิดจากสาเหตุอื่นอันได้แก่อวิชาความไม่รู้ที่เกิดในภพก่อนตัณหาความเพลิดเพลินในการมคุณซึ่งเกิดในภพก่อนกรรมคือการกระทําในภพก่อนและอาหารสิ่งที่ดื่มกินในภพนี้อีกด้วยถ้าไม่มีสภาวะเหล่านั้นก็จะไม่มีรูปความเข้าใจเหตุเกิด และเหตุดับของกองรูปอาจเกิดขึ้นในบางขณะอย่างนี้สมจริงดังสาทกว่าพึงทราบความพิสดารของเหตุเกิดนั้นว่ารูปเกิดขึ้นเพราะอาวิชาตันหากรรมและอาหารเกิดขึ้นแม้ในเหตุดับก็มีความพิสดารว่ารูปดับเพราะอาวิชาดับ พระพุทธองค์ทรงแสดงผลการปฏิบัติต่อไปอีกว่าเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากองรูปก็มีเพียงศัก์แต่ว่าเอาไวร้รู้เพียงศัก์แต่ว่าเอาไว้ระลึกได้เท่านั้นเธอเป็นผู้อยู่อย่างไม่ถูกตั้นหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลก นักปฏิบัติผู้เจริญสติระลึกรู้ว่าอยากเดินหนอเดินหนอเป็นต้นย่อมเข้าใจว่ามีเพียงจิตที่ต้องการจะเคลื่อนไหวและกองรูปที่เคลื่อนไหวอยู่สิ่งที่ชาวโลกสมมติว่าเป็นบุคคลเราของเราไม่มีอยู่จริงเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วนักปฏิบัติอาจรู้สึกว่าอวัยวะบางส่วนในร่างกาย หรือร่างกายทั้งหมดหายไปการเจริญสติของเธอย่อมเป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญาอย่างเห็นสภาวะธรรมอย่างแท้จริงเธอไม่ถูกตันหาอิงอาศัยด้วยความเพลิดเพลินในรูปนามที่กำหนดรู้อยู่และไม่ถูกทิฏฐิอิงอาศัยด้วยความเห็นผิดในตัวตนย่อมปราศจากความยึดมั่นในโลกคือ อุปทานขันหจบกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาพระพุทธองค์ตรัสการเจริญเวทนานุปัสสนาในมหาสติปัตฐานสูตรว่าภิกษุในพระาศาสนานี้เมื่อเสวยสุขเวทนา ย่อมรู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาอยู่เมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาอยู่เมื่อเสวยอุเบกขาเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเสวยอุเบกขาเวทนาอยู่ในเวลาเสวยเวทนาคือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสุขทุกข์หรือวางเฉย พึงตามรู้สภาวะนั้นโดยกำหนดว่าสุขหนาทุกหนาหรือเฉยหนาสุ ข, ขเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขทางกายอันได้แก่ความโล่งเบาสบายหรือความรู้สึกเป็นสุขทางใจอันได้แก่ความดีใจเบิกบานสมนัะยินดีในความจริงเด็กที่ยังไม่อดนม หรือคนทั่วไปก็รู้ได้ว่าเป็นสุขแต่เป็นการรู้โดยความมีตัวตนว่าเราเป็นสุขและความสุขนี้ก็เป็นของที่ยังไม่แปรปรวนและเป็นการไม่รู้ว่าสุขเวทนาเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยจึงไม่อาจละอัตสัญญาคือความสำคัญว่ามีตัวตน นักปฏิบัติที่ตามรู้เวทนาตามรู้ความจริงย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจา ก, กระยะหนึ่งไปสู่อี ก, กระยะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราของเราผู้เสวยเวทนานั้นๆอยู่ดังสาธกในคัมภีอัตถกถาว่า เพื่อทราบว่าภิกษุผู้กําหนดรู้ว่าเวทนาเท่านั้นย่อมเสวยอารมณ์โดยรับเอาอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งความสุขย่อมรู้ชัดเสวยสุขเวทนาอยู่คํากล่าวว่าเวทนาเท่านั้นย่อมเสวยอารมณ์หมายถึงการรับรู้ลักษณะพิเศษของเวทนาคํากล่าวว่าโดยรับเอาอารมณ์อันเป็นเหตุแห่งความสุข หมายถึงการรับรู้เหตุใกล้ของเวทนาคืออารมณ์ที่น่าชอบใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกข์ทางกายอันได้แก่ความเจ็บปวดเมื่อยชาคันร้อนเย็นจุกเสียดเหนื่อยหรือความรู้สึกเป็นทุกข์ทางใจอันได้แก่ความเศร้าโศกเสียใจกลัวไม่สบายใจร้อนใจวิตกกังวล นักปฏิบัติพึงตามรู้ทุกขเวทนาตามอาการนั้นๆว่าเจ็บหนอปวดหนอเมื่อยนอชาหนอคันหนอร้อนหนอเย็นหนอจุกเสียดหนอเหนื่อยหนอหรือเศร้าโศกหนอเสียใจหนอกลัวหนอ ไม่สบายใจหนอกร้อนใจหนอห่วงหนอบบางแห่งกล่าวว่าการเจริญวิปัสนาคือการท่องบนสาทยายคำบัญญัติว่ารูปน้ำธาตุดินธาตุน้ำผัสสะเวทนาสุขทุกข์ความเห็นดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะการรับรู้สภาวธรรมของรูปนามเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การรับรู้คำบัญญัติผู้ที่อดทนตามรู้ทุกเวทนาว่าปวดหนอย่อมสามารถรับรู้ลักษณะพิเศษคือความทนได้ยากของทุกเวทนาและลักษณะทั่วไปคือไตรลักษ์ได้ แม้จะไม่ทราบว่าสิ่งนี้เรียกว่าทุกขเวทนาก็จัดได้ว่ารับรู้สภาวะที่แท้จริงของทุกขเวทนาแล้วอุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกขเวทนาประเภทนี้ไม่ประจักษ์ชัดเจนเหมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนาในอัตถกถาที่อธิบายจุลเวทลสูตรสังคีติสูตร และพาหุธาตุกูตรกล่าวว่าอุเบกขาเวทนาเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเหมือนอวิชชาที่เกิดพร้อมกับโลภะและโทสะหมายความว่าในเวลาเกิดโลภะและโทสะนั้นมีอวิชชาเกิดร่วมโดยทำหน้าที่ปกปิดโทษของความโลภและความโกรธทำให้บุคคลพอใจและโลภและโกรธ อุเบกขาก็เช่นเดียวกันไม่ปรากฏในเวลาปกติแต่จะปรากฏขึ้นหลังจากสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหายไปแล้วเมื่อนักปฏิบัติ บ, ตบรรลุวิปัสสนาญาณขั้นที่สี่เป็นต้นไปแล้วอุเบกขาเวทนาอาจปรากฏชัดในบางคราวนักปฏิบัติพึงตามรู้อุเบกขาเวทนาว่าเฉยหนอ ดังมีสาทกว่าส่วนอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาที่รู้ได้ยากไม่ปรากฏชัดเหมือนความมืดอุเบกขาเวทนานั้นปรากฏแก่ผู้เข้าใจตามในว่าอุเบกขาเวทนามีอาการวางเฉยเป็นกลางด้วยการปฏิเสธความชอบใจหรือไม่ชอบใจในเวลาที่สุขเวทนา หรือทุกขเวทนาหายไปคำว่าทุตีปนาคือรู้ได้ยากหมายความว่าไม่อาจรู้ด้วยปัญญาได้กล่าวคือเข้าใจได้ยากฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าอันทการาวะอวิภูตาไม่ปรากฏชัดเหมือนความมืด ต่อมาพระพุทธองค์ทรงจ่มแนกสุขเวทนาออกเป็นสุขอิงกามกคุณเป็นต้นดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุเมื่อเสวยสุขเวทนาอิงกามคุณย่อมรู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาอิงกามคุณอยู่หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่อิงกามคุณย่อมรู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาไม่อิงกามคุณอยู่สุขอิงกามคุณ หมายถึงความพอใจเกี่ยวกับกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันได้แก่สิ่งที่ตนรักพอใจซึ่งอยู่ภายในและภายนอกร่างกายในบางแห่งเรียกว่าเคหสิตะโสมนัสคือโสมนัสอิงเรือนโสมนัสประเภทนี้มีความเพลิดเพลินต่อรูป ที่พบเห็นในเวลารับเอารูปที่สวยงามเป็นอารมณ์หรือชอบใจเสียงในเวลารับเอาเสียงที่ไพเราะเป็นอารมณ์นักปฏิบัติพึงตามรู้ความชอบใจนั้นโดยกำหนดว่าชอบหนอ ผู้ที่เจริญวิปัสนาตามรู้สภาวาธรรมที่มาปรากฏทางทวารหกย่อมเห็นประจักษ์ความเกิดดับของอารมณ์ปัจจุบันเหล่านั้นนับได้ว่าอย่างรู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังขอย่อมอนุมานว่าแม้อารมณ์หกที่เป็นอดีตและปัจจุบันทั้งหมดก็มีสภาพไม่เที่ยงเช่นเดียวกันบุคคลดังกล่าวย่อมเกิดความปีติสมนาต ความปิติสมนัตนี้ชื่อว่าสุขไม่อิงอามคุณในบางแห่งเรียกว่าเนกะคัมมศสิตะสมนัตคือสมนัตอิงวิปัสนาดังข้อความในคัมภีร์อุปริปนาตว่าบุคคลเมื่อจะทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง อย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดสมนัสขึ้นสมนัตเช่นนี้เรียกว่าสมนัสอาศัยวิปัสสนาความปีติสมนัสนี้มักปรากฏชัดเมื่อบรรุ้วิปัสสนาญาณที่สี่ชื่อว่าอุทธพ ย, ายาัญาณคือปัญญาอย่างรู้ความเกิดดับ นักปฏิบัติพึงตามรู้ความปีติสมนัตโดยกำหนดว่าชอบหนาหรือสุขหนาต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงจำแนกทุกขเวทนาออกเป็นทุกอิงกามคุณเป็นต้นดังพระพุทธพจน์ว่าภิกษุเมื่อเสวยทุกขเวทนาอิงกรรมคุณย่อมรู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาอิงกรรมคุณอยู่หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาไม่อิงกามคุณ ย่อมรู้ชัดว่าสเสวยทุกขเวทนาไม่อิงกรรมคุณอยู่ผู้ที่ประสบกับความทุกข์กายหรือทุกข์ใจเมื่อไม่สมหวังกรรมคุณภายในหรือภายนอกหรือหวนคิดถึงทุกที่เคยประสบมาก่อนย่อมเกิดทุกที่เรียกว่าทุกอิงกรรมคุณนักปฏิบัติพึงกําหนดว่าทุกหนอหรือเสียใจหนอ นักปฏิบัติผู้บรรลุอุทธพยาญาณเป็นต้นย่อมคาดหวังในการบรรลุมรักผลที่พระอริยะทั้งหลายอย่างเห็นแล้วบางท่านปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานก็ไม่อาจบรรลุมรักผลได้หรือบางท่านก็ไม่ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรจึงเกิดความเสียใจที่เกี่ยวกับวิปัสสนา ความเสียใจประเภทนี้เรียกว่าทุกข์ไม่อิงกรมคุณในบางแห่งเรียกว่าเนกขัมมาสิตะโทมนัตหรือโทมนัตอิงวิปัสนาในขณะนั้นพึงกำหนดว่าเสียใจหนอคคำพีอัตถกถากล่าวถึงเรื่องของพระมหาวิสะเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้พระมหาสิวเทระ เป็นผู้แตดฉานปริยติธรรมสอนภิกษุ18คณะนะสิทธิ์ของท่านปฏิบัติตามคําแนะนำแล้วบรรลุเป็นพระอรหันตสามหมือนรูปวันหนึ่งมีสิทธิ์รูปหนึ่งได้พิจารณาคุณธรรมที่ตนบรรลุแล้วนําริว่าอาจารย์ของเรามีคุณูปาการแก่เรามากเมื่อพิจารณาต่อไปก็พบว่าอาจารย์ยังเป็นปุตุชนอยู่ จึงดําริว่าท่านเป็นที่พึ่งแกมหาชนแต่ไม่เป็นที่พึ่งแกตนเองอย่ากระนั้นเลยเราจะเตือนสติท่านเมื่อคิดดังนี้แล้วพระอรหันต์รูปนั้นก็เหาะไปหาอาจารย์พอใกล้ถึงกุฏิของอาจารย์แล้วก็เดินเข้าไปหาพระมหาเถรถามว่ามาด้วยธุระอันใด พระอาหารหันต์ตอบว่าอยากขอเรียนธรำสำหรับอนุโมทนาสอนคฤหัตท่านบอกว่าเราไม่มีเวลาพระอาหารหันต์ก็ถามถึงเวลาที่พอจะถามปัญหาได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับสนิทพระมหาเถระตตอบว่ามีคนรอถามปัญหาอยู่ตลอดเวลาพระอาหารหันต์จึงกล่าวว่าเวลาของอาจารย์เต็มหมดจริงๆ กระทั่งเวลาตายก็ยังไม่มีท่านประพฤติตนเหมือนพนักพิงแก่คนอื่นไม่ใช่พนักพิงแก่ตนเองข้าพเจ้าไม่ต้องการศึกษาธรรมจากท่านแล้วกลั้นกล่าวแล้วพระอารหันต์ก็เหาะจากไปเวลานั้นพระเถระจึงได้สติรู้ว่าพระรูปนี้มาเพื่อเตือนสติมิได้ต้องการศึกษาธรรมจริง ในวันรุ่งขึ้นท่านก็รีบเก็บบาทและจีวรแล้วออกจากวัดไปปฏิบัติธรรมโดยพมนักอยู่ที่เชิงเขาใกล้หมู่บ้านในเบื้องแรกท่านสำคัญว่าตนสามารถบรรลุอรหัตผลได้ภายในสองสามวันจึงไม่ได้บอกลาสิทธิ์ต่อมาเมื่อไม่อาจบรรลุทำตามมโนปนิธานที่คิดว่า คงจะบรรลุได้ภายในสามเดือนครั้นครบสามเดือนท่านก็ไม่ได้บรรลุธรรมจึงคิดว่าเพื่อนพรหมจันทร์ต่างคาดหวังว่าท่านสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษาแล้วปรวัรณาร่วมกันในวันเพ็ญเดือนสิสองแต่ก็ยังไม่อาจบรรลุได้จึงเสียใจร้องไห้และคิดว่าตนคงเสียเวลาไป ในการนอนจึงบรรลุธรรมไม่ได้ก็ลุกขึ้นเก็บที่นอนแล้วปฏิบัติธรรมด้วยเอเรียบทสามคือการยืนการเดินและการนั่งท่านเพียรปฏิบัติธรรมเรื่อยมาถึง29ปีก็ยังไม่บรรลุธรรมทุกปีที่เวียนมาถึงกราวประวรณาครั้งใดก็เสียใจร้องไห้จนในปีที่ส0สิบ จึงถึงวันปวรณาจึงดำริว่าท่านปฏิบัติธรรมครบ30ปีแล้วก็ยังไม่ได้สมหวังชาตินี้คงจะบรรลุธรรมเหมือนคนอื่นไม่ได้ท่านเสียใจมากจนกระทั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นในเวลานั้นเทพธิดาตนหนึ่งต้องการเตือนสติท่านจึงจำแรงเป็นสตรีมายืนร้องไห้อยู่ใกล้ ท่านได้ยินเสียงจึงถามว่าใครมาร้องไห้ที่นี่เทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นเทพธิดาอยู่ในภูเขาแห่งนี้เห็นท่านร้องไห้ก็คิดว่าถ้าร้องไห้แล้วจะได้บรรลุมรรคผลจึงร้องไห้ตามท่านพระเทราได้ฟังแล้วก็ได้สติคิดว่าดูเถิดแม่เทพธิดาตนนี้มาเยอะหยัน เพราะเราทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคิดดังนี้แล้วจึงขมความเสียใ จ, จเจริญวิปั ส, สนาในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลในขณะนั้นการที่พระเถระใช้เวลาปฏิบัติธรรมนานถึง30ปีปก็เพราะว่าท่านจเจริญวิปั ส, สนาอย่างพิสดารตามที่ได้ศึกษามาเหมือนพระสาริบุตรใช้เวลาปฏิบัตินานกว่าพระโมคคัลลานะ ความจริงผู้ที่ทรงพระไตยปิฎกนับว่าเป็นผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมในการบรรลุมรรคผลด้วยการเจริญวิปัสสนาโดยย่อเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นสุเมตดาบทก็มีสาวกบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแต่พระเถระเจริญวิปัสสนาโดยพิสดารจึงใช้เวลานานกว่าบุคคลอื่นดังสาทกในคมภีเดกาว่า พระเถวราเกิดความสลดใจว่าการร้องไห้นี้สมควรแก่เราหรือแล้วยังความเพียรให้แก่กล้าได้บรรลุอรหัตผลพระยานแก่กล้าแล้วเนื่องจากอบรมวิปัสนาเป็นอย่างดีตลอดการเพียงนี้ต่อมาพระพุทธองค์ทรงจำแนกสุ ข, ขเวทนาออกเป็นสุขอิงการมคุณเป็นต้นดังพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุเมื่อเสวยอุเบกขาเวทนาอิงกามคุณย่อมรู้ชัดว่าเสวยอุเบกขาเวทนาอิงกรมคุณอยู่หรือเมื่อเสวยอุเบกขาเวทนาไม่อิงกรมคุณย่อมรู้ชัดว่าเสวยอุเบกขาเวทนาไม่อิงกรรมคุณอยู่โดยทั่วไปคนที่ไม่ได้อบรมจิตด้วยการเจริญวิปัสสนาในบางขณะอาจเกิดความรู้สึกวางเฉยต่อกามคุณภายใน หรือภายนอกแต่ปล่อยวางอารมณ์นั้นไม่ได้เพราะมีความยึดติดผูกพันด้วยความโลภอุเบกขาประเภทนี้เรียกว่าอุเบกขาอิงกามะคุณบางแห่งเรียกว่าเคหสิตาอุเบกขาหรืออุเบกขาอิงเรือนหรือปัญญานุเบกขาคืออุเบกขาที่เกิดพร้อมกับโมหะในเวลาที่อุเบกขานี้ ปรากฏชัดเจนนักปฏิบัติพึงกำหนดว่าเฉยหนอเมื่อนักปฏิบัติบรรลุอุทธพยาญาแล้วข้ามพ้นวิปสัสโนปกิเลสได้ความวางเฉยในขณะตามรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกย่อมเกิดขึ้นความวางเฉยนี้เรียกว่าอุเบกขาไม่อิงกามคุณย่อมปรากฏชัดในพังขยาน และปรากฏชัดยิ่งขึ้นในสังขารูปเบกขายานในบางแห่งเรียกว่าเนคขมมสิทธ์อุเบกขาคืออุเบกขาอิงวิปัสนานักปฏิบัติพึงกำหนดว่าเฉยหนออานิสงส์ของการตามรู้เวทนาการตามรู้เวทนาส่งผลให้นักปฏิบัติอย่างเห็นความเกิดดับของเวทนา ในบางขณะนักปฏิบัติอาจรับรู้เหตุเกิดขึ้นและเหตุดับไปของเวทนาตามที่ได้สดับมาอีกด้วยลราวคือสุขเวทนาเกิดจากการประสบกับอารมณ์ที่น่าชอบใจทุกขเวทนาเกิดจากการพบกับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจอุเบกขาเวทนาเกิดจากการประสบกับอารมณ์เป็นกลางนอกจากนี้ เวทนายังมีเหตุคือเกิดกรรมในอดีตอวิชชาและตัณหาผู้ที่ยังเห็นความเกิดดับของเวทนาอย่างนี้จะเกิดสติระลึกรู้ว่ามีเพียงความรู้สึกสุขทุกข์หรือวางเฉยไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษสตรีเขาย่อมประสจากความยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกคืออุปทานาขัน สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าเธอตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นในเวทนาอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือความดับในเวทนาอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับในเวทนาอยู่บ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าเวทนามีก็เพียงสัก์แต่ว่าเอาไว้รู้ เพียงสักแต่ว่าเอาไว้ระลึกได้เท่านั้นเธอเป็นผู้อยู่อย่างไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกจบเวทนานุปัสสนา